พิธรมธรมปิโดธรรมปัจจียะทุกกะทุกกะประานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเหตุตุทุกกะหนึ่งถึงห้าเหตุตุกะทุ ก, กะเป็นต้นหนึ่งสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระอรามะนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยย่อณเหตุปัจจัยมีสามวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระนัทิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระณ้าฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระน้ามฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึง <pal ple i> นวิคตตปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยอรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยระมณัปปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณัปปัจจัยมีสี่วาระอนันตรัปัจจัยมีสี่วาระและถึงสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีสี่วาระอุปาณิสยปัจจัยมีสีวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสองวาระอสุนนะปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระสมยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตต์ปัจจัยมีสวาระละถึงอวิคต์ปัจจัยมี4วาระ 4. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุ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 หสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่จำปยุติด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุติด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 และที่ไม่ใช่ Source, ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุถูปัจจัยมีกลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาวาระทุกปัจจัยเพึงขยาให้พิจารณาเจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิปวิจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปวิจากเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปวิจากเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจละหนึ่งวาระ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 เหตุทุทูกะหจุลันตระทุกกะแปสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย่อเหตุุปัจัยมีกลาวาระทุกปักปจจัยมีปัจจัยและก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งมิใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและกาวาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปย่อทุกปัจจัยมีปัจใจและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปย่อเหตุปัจจใจมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจใจมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลคิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลคุตระย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระหนึ่งเหตุทุกกะสิบสามถึงสิบแปดอารวะโคชกะเป็นต้นเกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะ ย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะย่อทุกปัจใจมีปัจใจและกลาววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปยุทธ์จากอาสวะย่อทุกปัจใจมีปัจใจและกลาววาระไม่มีวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะย่อทุกปัจัยมีปัจจและกลาวาระ ไม่มีวิปากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นอา 1967, รมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระไม่มีวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปิยุตจากอาสวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระไม่มีวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่วิปยุจักอาจวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาจวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจักอาจวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เ <drown> ป <shit> <pec> ็นเหตุซึ่งวิปิยุจักอาจวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะย่อทุกปัจจัยมีปัจจใจละเก้าวาระ ตุทุทูกะสิบเก้าถึงห้าสิบสามสัญโยชนะทุกกะเป็นต้นสิบอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นคันถะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยแล้วเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโยคะย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยและกล่วาวว่าไม่มีวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นนิวรย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและกล่วาวว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาตย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและกล่าวว่าไม่มีวิบากหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบสี่มหันตระทุกกะสิบเอ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นจิตยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเจตสิกย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่รปพลกับจิตเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ <infrared> ่งวาระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช <eld> ่ร<ำ>ักนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายในย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายนอกย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 เหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิภัตตาปัจจัยมีเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกิเลสย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระหนึ่งเหตุทุกกะแปดสิบสองปิติตุกกะสิบสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ ย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระไม่มีวิปาก13อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาวาระ ไม่มีวิปากาสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีปิติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีปิติ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สะหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สะหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งมิใช่ไม่สหวโรคโดโอุเปขาย่อ au, ทุกปัจจัยมีปัจใจและก้าววาระสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นกลางมวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปาวจร อาศ right. ัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นอรูปาวจรย่อทุกปัจจัยมีปัจใจและกลาววาระสิหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุก์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตถุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ให้ผลแน่นอนย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและกล่าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและกล่าววาระไม่มีวิปาก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกป er. ัจจัยม er. ีปัจจัยละก้าววาระ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 ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดรด้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สะดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้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 เหตุถูกะทุกะเป็นต้นหนึ่งเหตุตุทุกะสิบปดสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัดใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัดใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุ ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระละถึง บุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอสิวะณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยาให้พิจารณาสิบเกสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระ20อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุติเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุโย่เหตุปัจจัยมี9้าวาระอรมณปัจจัยมีาวามจจยม่วาระอธิปติ ป, ปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญาปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระ อาศัยวณัปจ์ใจมีสองวาระละถึงอวิภัตตปัจใจมีเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระยี่สิเอ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ และที่ไม่วิพีวิจักข์เหตุซึ่งไม่เป็นเหตุ form. อาศาัยสภาวธรรมที่ไม่วิพีวิจากเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิบสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุทุกปัจจัยมีเก้าวาระ ปรมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอสิวะณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีเก้าวาระ เจ็ุลันตระทุกกะหนึ่งเหตุทุกะยี่สิบสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อทุกปัจจัยมีปัญญจจัยละหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัญญจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอว hmm. uh, th no uh, th mm ิคตะปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุกปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาทิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญมัญะปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญาปัจจัยมีหกวาระละถึงปุรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมี9้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจใจและเก้าวาระสิบสี่อาศวะโคจกะหนึ่งเหตุทุกกะยี่สิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาศวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาศวะซึ่งไม่เป็นเหตุย่อ เ, เหตุหต ป, ปัจจัยมีห้าวาระละถึง วิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตาปจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอาระมณะปจจัยมีสองวาระละถึงอวิภตาปจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปิยุจฉ์อาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ และไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่วิปยุจฉาอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระไม่มีวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจากอาสวะ และไม่ใช่ไม่เป็นอาจวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาจวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาจวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิภัตตปัจจัยมีห้าวาระยี่สิบ สัญโยชนะทุกกะเป็นต้นหนึ่งเหตุทุกะยี่สิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากปปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปจัยมีก้าวาระยี่สิหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นพันธะซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจใจมีห้าวาระ ละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยี่สิบเจอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยี่สิบปด อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปจจัยมีเ้าวาระยี่สิบเก้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปารมาซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบห้ามหันตระทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะสามสิทอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมี5้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีหกวาระและถึง ปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี9้าวาระสาออาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นเหตุย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระ อาเสวัณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุตด้วยจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระควกับจิตซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีหกวาระละถึง ป, ปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวารวะอายเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระปรมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีห้าวารวะอายเสวนปัจจัยมีห้าวาระ ละถึงอวิคตตปัจจัยมีกลาววาระสาสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่อเกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับคึงกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจาาปปจัยมีห้าวาระละถึงบุเรชาตปัจจัยมีห้าวาร ะ, ะอาศัยวนปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสามสิบสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระ ละถึงโบรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระมาเศวณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงพวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เชื่อฟรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เชื่อฟรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิภัตตปัจจัยมีห้าวาระหกสิบเก้าอุปาทานทุกระเป็นต้นหนึ่งเหตุทุกระสามสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ วิปากปัจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีห้าวาระสามสิบหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ม่ใช่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระแปดสิบสาม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 อารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสามสิบปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหาโรคข้อดุอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหาโรคข้อดุอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระอาศัยวันปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิชตาปัจจัยมีเก้าวาระสามสิบเก้า อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลางมวจรซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกลางมวจรซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปปวจรซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปปรวจรซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจใจมีสี่วาระอาทิติปัจจัยมีห้าวาระละถึง อัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงผู้เรชาตปัจจัยมีสองวาระอาศัยวณปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิบอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอรูปราวจรซึ่งไม่เป็นเหตุยอ่อเพตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ซึ่งไม่เป็นเหตุหย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสี่สิบเอ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก์ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลไม่แน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่เป็นเหตุย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสี่สิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สะตรองให้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สะตรองให ซึไม่เป็นเหตุเก네ิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัตดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปาจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้และที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้และที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปาจัยย่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารณาสี่สิบสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุหายใยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตรองไห้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุตกปัจจัยย่อเหตุกปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระทุปัจจัยเพิงขยายให้พิดาร